การประครับประคองตนพระพุทธภาษิตอัตานันเจปียังชัญญารักเฮยะนางสุรากิทังตินะมัญยะตรังยามังปฏิชักเฮยะปันฑิโตแปลความว่าหากบุคคลรู้ว่าตนเป็นที่รักไซ้พึงรักษาตนนั้นให้ดีปัณฑิตพึงประครับประคองตนให้ดีอย่างน้อยที่สุดในไวไัยใดวัยหนึ่งบรรดาสามวัยอธิบายความ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 ก็หาชื่อว่ารักตนไม่เพราะก่อรมอันจะนำทุกข์มาสู่ตนขวนควายในสิ่งอันเป็นภัยแก่ตนเผาตนด้วยไฟคือความชั่วนอนาประการส่วนผู้ประกอบคำดีชื่อว่าผู้รักตนเพระาะทำสิ่งอันจะอาํานวยความสุขความสงบแก่ตนนี่คือความรักตนในทางที่ถูกที่ควรจริงอยู่โดยสามัญสํานึกคนทุกคนย่อมรักตนแต่บางคนรักตนในทางที่ผิดหาความสุขใส่ตนในที่ผิดเช่นหนึ่ง สแสวงหาความสุขเพื่อตอนโดยการเบียดเบียนผู้อื่น 2. แสวงหาความสุขจากความเกลียดคร้านสําคัญตนผิดจากความเป็นจริง 1. การสแสวงหาความสุขเพื่อตอนโดยการเบียดเบียนผู้อื่นนั้นเช่นการยิงนกเล่นตกปลาเล่นลักขโมยทรัพย์สินของผู้อื่นมาใช้บง่งบรมความสุขของตอนเบียดเบียนครอบครัวเขาโดยการประพฤติประเวณีพูดเท็จใส่ร้ายผู้อื่น แบบเอาดีใส่ตัวเอาชั่วใส่เขาคนที่หาความสุขอย่างนี้ไม่เคยได้รับความสุขจริงสักลายเดียวในที่สุดความทุกข์ที่เขาหยิบยื่นให้คนอื่นนั่นแหละจะย้อนกลับมาหาตัวเขาเองหรือครอบครัวของเขาท่านจึงว่าทุกขะโตทุกกท่านังให้ทุกแก่ท่านทุกนั้นถึงตัวในทางกลับกันผู้ใดให้ทุกแก่ผู้อื่นสุขนั้นย่อมกลับมาสนองผู้ให้นั่นเองจะเร็วหรือช้าเท่านั้นสอง แสวงหาความสุขจากความเกลียดคร้านความเกลียดคร้านเป็นภัยใหญ่ในชีวิตมนุษย์มันอาจมาในรูปแห่งความสุขในเบื้องต้นที่ท่านเรียกว่ามารร้ายมาในรูปแห่งทิดาพอรู้ว่าผู้นั้นตายใจแล้วก็จะห้ำหันย่ยํายีให้ถึงทุกนานาประการอันหนึ่งมีความจริงอยู่ว่าคนที่ทํางานน้อยจะต้องมีงานหนักกวางหน้าอยู่เสมอตรงกันข้ามคนที่ทํางานหนักอยู่เสมอย่อมมีงานเบารออยู่ปลายมือ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 ไม่ใช่โดยทางแห่งความเกียจคร้านท่านกล่าวไว้อีกว่าไฟร้อนจะนอนเย็นไฟเย็นจะเข็นใจอธิบายว่าคนที่ขยันหนักเอาเบาสู้มีความเพียรอยู่เสมอนั้นย่อมจะพบกับความสุขความสบายในวันหน้าส่วนคนเกียจคร้านไม่ศึกษาเล่าเรียนไม่ประกอบการงานในวัยที่ควรศึกษาและวัยที่ควรประกอบการงานไม่ได้ดทราบในการที่ควรได้ย่อมจะพบกับความลําบากยากเข็นในภายหน้า ทางเตียนเวียนลงนรกทางรกวกขึ้นสวรรค์กวามว่าทางที่สบายปล่อยตัวปล่อยใจทําสบายไม่มีการควบคุมตนเองให้อยู่ในทางที่ถูกที่ชอบย่อมชักนําบุคคลไปสู่ความชั่วความยากลำบากส่วนการเดินทางลําบากเต็มไปด้วยการควบคุมตนเองให้เว้นสิ่งที่ควรเว้นให้ทําสิ่งที่ควรทําเป็นเรื่องหนักออกหนักใจในเบื้องตน้นแต่เมื่อทําได้แล้ว ความดีนั้นก็โปรยปลายความสุขให้เป็นผลอันชื่นใจดังนั้นผู้มีความคิดจึงไม่ควรแสวงหาความสุขจากความเกียจคร้านความจริงความขยันขันแข็งเป็นสิ่งให้ความสุขทางใจได้มากกว่าความเกียจคร้านเสอีกและเป็นความสุขที่ไม่มีโทษสความสำคัญตนผิดจากความเป็นจริงคนที่เป็นอย่างนี้คือสาคัญตนผิดจากความเป็นจริงทาให้วางตัวผิดเข้าใครไม่ได้ เป็นเหตุให้คนทั้งหลายเกลียดชังบันรอนความก้าวหน้าของตนด้วยตนเองบางคนเป็นครูบาอาจารย์เข้าหน่อยก็มองเห็นตนสาคัญเกินไปเป็นเหตุยกตนข่มผู้อื่นมีมาณะกล้าว่าเราดีกว่าเขากิเลสอย่างนี้ไม่ให้ผลดีแก่ใครใครมีก็ให้โทษแก่คนนั้นอย่างมากการสแสวงหาความสุขเพื่อตนโดยการบิดเบียนผู้อื่นหนึ่งการหาความสุขจากความเกลียดคร้านหนึ่ง ความสำคัญตนผิดจากความเป็นจริงหนึ่งเป็นการแสดงความรักตนที่ผิดทางชื่อว่ารักษาตนไม่ดีส่วนผู้มีปัญญาแสดงความรักตนโดยการประกอบกรรมดีชื่อว่ารักตนถูกทางท่านว่าผู้รักษาตนควรประครับประคองตนให้ดีในวัยทั้งสามคือปฐมวัยมาชิมวัยและปัจจิมวัยถ้าไม่ได้ทั้งสามวัยก็ควรให้ได้ดสักวัยหนึ่งเป็นอย่างน้อย ท่านยกตัวอย่างว่าคือหาที่ไม่สามารถทําบุญกุศลไว้ในวัยต้นเพราะมวัวหมกมุ่นอยู่ในการเล่นการเรียนก็ควรทําในมัธิมวัยถ้าในมัธยมวัยข้อมัววุ่นอยู่กับเรื่องบุตรปัญญาไม่สามารถบําเพ็ญกุศลได้ก็ควรรีบขวนกวายบําเพ็ญคุณงามความดีให้หนักในปิมวัยถ้าพลาดทั้งสามวัยก็จะเอาตัวไม่รอดส่วนปัญญาชนนั้นท่านว่าหากในปฐมวัยมัวประมาทอยู่ ด้วยการศึกษาเล่าเรียนในมัจจิมวัยก็เหมือนกันควรรีบขวนขวายบำเพ็ญสมณธรรมให้หนักในปัจจิมวัยถ้าไม่ทำอย่างนั้นชื่อว่าไม่รักษาตนด้วยดีเป็นผู้ประมาทความจริงคนเราทุกคนได้สิ่งหนึ่งเท่ากันมาคือเวลาเรามีเวลาคนละยี่สิบสีชั่วโมงต่อวันเท่ากันทำไมบางคนจึงทำงานได้มากบางคนทำได้น้อยคำตอบประการแรกคือ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 นี่เป็นธรรมดาที่ใครๆก็รู้บางคนตายเสียแต่ไวต้นบางคนตายในมัชชิมะไวบางคนตายในปชิมะไวคนทำประโยชน์กับคนไม่ทำประโยชน์ก็ต้องตายเหมือนกันและต้องผ่านไว้ต่างๆเหมือนกันข้อต่างกันก็คือคนทำประโยชน์เมื่อตัวตายแล้วมีประโยชน์เหลืออยู่ส่วนคนไม่ทำประโยชน์ไม่มีอะไรเหลือไวเป็นอนุสรแห่งชีวิตเกิดมาเสียเปล่าชีวิตของเขาเป็นโมคะชีวิต บางคนฉลาดรู้จักคิดตั้งแต่อายุอย่างน้อยยังอยู่ในปฐมวัยอย่างนี้เรียกว่าผู้ใหญ่ในร่างเด็กส่วนบางคนแม้อายุมากแล้วล่วงเข้าปิมวัยแล้วก็ยังไม่รู้จะคิดอะไรให้ถูกต้องอย่างนี้เรียกว่าเด็กในร่างผู้ใหญ่เรื่องนี้พระศาสดาทรงสแสดงขณะประทับอยู่ที่เพสกะลาวันทรงปราลบโพธิราชกุมารมีเรื่องย่อดังนี้ โพธิราชกุมารให้ในช่างสร้างปราสาทชื่อโกกนตแปลว่าดอกบัวแดงสวยงามมากเหมือนลอยอยู่ในอากาศโพธิราชกุมารเห็นปราสาทแล้วทรงพอพระทัยอย่างสูงต้องการให้ปราสาทนี้มีหนึ่งเดียวเท่านั้นไม่ให้มีคู่แข่งจึงตรัสถามในช่างว่าปราสาทอย่างนี้นายช่างเคยสร้างที่อื่นบ้างหรือไม่หรือว่าเป็นงานชิ้นแรกนายช่างตอบว่า เป็นงานชิ้นแรกไม่เคยทําที่ใดเหมือนอย่างนี้เลยราชกุมารทรงดรํมฤตว่าถ้าปล่อยในช่างไว้เขาจากสร้างปราสาทอย่างนี้ให้คนอื่นอีกปราสาทนี้ก็จะไม่อัศจรรย์เราควรจะฆ่าในช่างคนนี้เสียทรงดรํมฤตดังนี้แล้วตรัสบอกแก่พระสาหายคนหนึ่งมานกน้อยบุตรชายของสันชีวกนึกเสียดายในช่างฝีมือดีจึงแอบบอกให้เขาทราบนายช่างเตรียมหนี วันหนึ่งโพธิราชกุมารตรัสถามนายช่างงานสร้างปราสาทเสร็จแล้วหรือไม่ยังไม่เสร็จพยาค่ะยังต้องทําอีกมากยังมีอะไรอีกละ่ะจะทุนให้ทรงทราบภายหลังพะยาค่ะเบื้องแรกขอให้พระองค์ให้คนขนไม้มาให้ก่อนไม้ชนิดไหนไม้แห้งพยาค่ะเขาทูลและต้องเป็นไม้ไม่มีแก่นเมื่อได้ไม้ตามประสงค์แล้วนายช่างได้ทุนพระราชกุมารว่า ตั้งแต่นี้ต่อไปเขาต้องทำงานที่ประณีตมากหากใครมาเยี่ยมคุยก็จะทำให้ฟุ้งร่าน ง, งานจะเสียไปแม้พระราชกมุมารเองก็ไม่ควรเสด็จมาส่วนอาหารนั้นขอให้ปัญญาของเขานำมาให้พระราชกมุมารทรงอนุโลมตามนั้นแต่ให้คนล้อมประสาทไว้นายช่างสั่งปัญญาให้ขายของที่บ้านทั้งหมดรวบรวมเงินทองไว้เมื่อเขาทำนกบินเสร็จก็ให้ปัญญานำบุตรทุกคนมาแล้วหนีไปทางหน้าต่างประสาท ไปลงที่หิมวันตะประเทศสร้างนาครขึ้นใหม่นครหนึ่งได้เป็นพระราชาแห่งนคร น, นั้นมีพระนามว่ากัฏฐวาหณนะแปลว่ามีไม้เป็นพาหนะหรือผู้มีพาหนะอันทาด้วยไม้ผู้มีปัญญาและมีธรรมย่อมทำตนให้พ้นภัยโดยทางที่ชอบฝ่ายโพธิราชกุมารปรารบการฉลองประสาทจึงให้อราธนาพระสัสดาและภิกษุสาวกมาสวยพัตตาหาร ทรงให้ลาดผ้าขาวแผ่นน้อยตั้งแต่ธรณีประตูแรกแห่งปราสาทเนื่องจากพระองค์ไม่มีพระราชโอรสทิดาจึงทรงอธิษฐานว่าหากว่าพระองค์จะมีพระราชโอรสหรือพระราชธิดาขอให้พระาศาสดาทรงเหยียบผ้าขาวที่ทรงปูลาดนั้นเมื่อถึงเวลาพระาศาสดาเสด็จถึงแต่ไม่ทรงเหยียบผ้าขาวนั้นพระราชาคุมาลทูลถึงสามครั้งก็ไม่ทรงเหยียบทรงมองดูพระอานนท์ พระอนุลจึงทูลพระราชุกุมารว่าขอให้ทรงนําผ้าขาวออกเสียก่อนพระศาสดาไม่ทรงเหยียบผ้านั้นพระราชุกุมารทรงเก็บผ้านั้นพระศาสดาจึงเสด็จเข้าไปในปราสาทเมื่อพระศาสดาสวยเสร็จแล้วพระราชุกุมารทูลว่าหม่อมฉันเป็นอุปทาของพระองค์ถึงพระองค์ว่าเป็นที่พึงถึงสามครั้งคือเมื่ออยู่ในพระคันพระมารดาครั้งหนึ่งเมื่ออยู่ในวัยหนุ่มครั้งหนึ่ง และอีกครั้งหนึ่งคือเมื่อหม่อมฉันรู้ดีรู้ช่วแล้วเมื่อเป็นดังนี้เหตุไรพระองค์จึงไม่ทรงเหยียบผ้าขาวที่ข้าพระองค์ปูลาดไว้ราชกมุมานพระองค์ทรงดมรติอย่างไรจึงทรงปูลาดผ้าขาวไว้ข้าพระองค์คิดว่าถ้าข้าพระองค์พึงได้บุตรหรือธิดาไซพระศาสดาจากักทรงเหยียบผ้าขาวของเราดังนี้แล้วให้ลาดแผ่นผ้ า, าวไว้เพราะเหตุนั้นแหละมหาบา่อผิดอาตมาภาพจึงไม่เหยียบผ้าขาว พระศาสดาตรัสตอบแปลว่าหมอมฉันจกไม่ในบุตรหรือธิดาอย่างนั้นหรือถูกแล้วมหาบอ่อผิดเพราะเหตุไรพระเจ้าข่าเพราะพระองค์และพระชายาประมาทในการก่อนในการไรพระเจ้าข่าพระศาสดา จ, จึงทรงนําเรื่องในอดีตของพระราชุมารมาตรัสเล่า ว, ว่าในอดีตการมนุษย์ร้ายร้อยคนแร่นเรือไปในมหาสมุทรเรืออปางลงกลางมหาสมุทรสองสามี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 จวบจนตราเพราะกรรมนี้แหละพระราชกุมารจึงไม่อาจมีพระราชโอรสหรือธิดาได้พระศาสดาตรัสต่อไปว่ามหาวพิตรหากในวัยทั้งสามไวไัยใดวัยหนึ่งในครั้งกระนั้นพระองค์จักไม่ประมาจเจริญกุศลธรรมไซพระองค์ย่อมจะได้บุตรหรือธิดาในอัตภาพนี้ราชกุมารบุคคลเมื่อรู้ว่าตนเป็นที่รักก็ควรรักษาตนประคับประคองตนด้วยดีในวัยทั้งสาม หรือในไวไัยใดวัยหนึ่งดังนี้แล้วตรัสพระคาถาว่าหากบุคคลรู้ว่าตนเป็นที่รักไส้พึงรักษาตนนั้นให้ดีบัณฑิตพึงประคับประคองตนให้ดีอย่างน้อยที่สุดในไวไัยใดวัยหนึ่งบรรดาสามวัยมีนัยยะดังพรรณนามาแล้วแต่ต้น